วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเป็นการเติมความสุขให้แก่จิตใจ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 ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความทุกข์ที่แท้จริงเพราะไม่ว่าใครก็ตามถ้าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญก็จะต้องพบกับความทุกข์ กันอย่างแน่นอนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นขอทานข้างถนนหรือเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็จะต้องพบกับความทุกข์ด้วยกันทุกคนเพราะราบยศสรรเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ไปหามานี้อยู่ในสภาพของอนิจจังก็คือไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเรยจริญแล้วก็เสื่อม ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็จะต้องพบกับความเสื่อมพบกับความดับเวลาต้องพบกับความเสื่อมพบกับความดับก็ต้องพบกับความทุกข์นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางราบยศสรรเสริญแต่กลับมาหาความสุขทางทำบุญให้ทานทางรักษาศีลทางปฏิบัติธรรมทางศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะผลที่จะได้รับก็คือเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะสามารถที่จะรักษาให้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้อยู่ไปได้อย่างถาวรจึงไม่มีความทุกข์ตามมาดับความทุกข์ต่างๆได้หมด ใครก็ตามถ้าต้องการที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ท้าวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็ต้องปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ท่งปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้เพราะนี่คือสัจธรรมความจริงของจิตใจ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 ทางลาบยศสรเสริญอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเรายัางประสบกับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆก็เป็นความสุขความทุกข์ที่มาจากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่เองดังนั้นเราจึงต้องเชื่อคนฉลาเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า เพราะมีผู้ที่ได้เชื่อมาแล้วและได้รับพบได้รับได้พบกับความสุขชนิดเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้รับได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้หลุดพ้นท่านเหล่านี้ก็คือพระอราาาหันตสาวกนี่เอง ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่แล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการทำทานให้กับการรักษา ศ, า ศ, าศาีลให้กับการปฏิบัติธรรมให้กับการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ถดไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อนจนในที่สุด ก็ได้รับผลที่ยิ่งใหญ่คือได้บรรลุถึงพระนิพพานได้รับบรมังสุขขังบรมมัสุขหลังจากนั้นท่านก็มาทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้านำเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเรา ที่ยังไม่ได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐนี้ที่ยังต้องทุกข์กับความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญเพราะเวลาที่สูญเสียราบยศสรรเสริญไปเวลาที่สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปนั่นเอง นี่แหละคือเป้าหมายที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขใจกันเติมความสุขให้แก่ใจกันเพื่อใจเราจะได้ไม่หิวไม่โหยกับสิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยหิวโหวยกันอยู่ ตอนนี้พวกเรายังหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดถพพะยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยู่อยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ยังอยากจะได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญอยู่เพราะว่าใจของพวกเราไม่มีความสุขภายในตัวเองนั่นเอง จึงต้องออกไปหาความสุขภายนอกเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขภายในเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสอนให้หาความสุขภายในใจกันมีแต่สอนให้ออกไปหาความสุขภายนอกกันให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ออกไปหาลาบยศสรรเสริญกันซึ่งเป็นการ เดินเข้าหาความทุกข์ที่ไม่มีใครรู้กันลูกก็สายไปเหมือนกับแมงเม่าที่บินเข้าหาแสงสว่างของกองไฟไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นเป็นความร้อนถ้าเข้าไปใกล้แล้วก็จะต้องถูกความร้อนนั้นเผาไปดี่ก็คือ ความสุขที่พวกเราเดินเข้าหากันความสุขที่เป็นเหมือนแสงสว่างของกองไฟเห็นแสงสว่างแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกับมแมลงเม่าก็อยากจะเข้าใกล้พราเข้าไปใกล้ก็ไปโดนความร้อนเข้าไม่สามารถที่จะถอยหลังออกมาได้ ก็ต้องถูกความร้อนนนั้นเผาไปจนตายไปพวกเราที่ยังแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางราบยศสรรเสริญอยู่พวกเราก็จะถูกความทุกข์คอยแผดเผาจิตใจของเราไปจนวันตายตายแล้วก็ยังไม่หมดตายแล้วก็ยังฉุดรากให้พวกเรากลับ เข้ามาหากองไฟนี่ใหม่จุดร่างให้พวกเรากลับมาเกิดกันใหม่กลับมาเกิดเพื่อที่จะได้มีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกเป็นกายแล้วก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้และเป็นอย่างนี้มา นานมากเกิดมากี่พบกี่ชาติก็เป็นแบบนี้ทำแบบนี้ทุกแบบนี้กันมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติได้ผล ก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะมีความสุขภายในใจแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนเมื่อก่อน เหมือนตอนนี้ที่เรายังไม่ได้พบความสุขทางใจกันเราก็ยังต้องหาความสุขทางร่างกายกันอยู่ยังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายหาความสุขกับลาบยศจระเสริญกันอยู่แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไป พราะไม่เคยได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคําว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตากันอ น, นิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังก็แปลว่าทุกอนัตตาก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับสั่งให้มันให้แต่ความสุขกับเรา เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มา น, นี้เราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามมันไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราได้พอเราได้มาแล้วเราก็จะต้องสัมผัสทั้งความสุขและความทุกข์ที่ได้จากสิ่งนั้นเวลาได้ความสุขก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาได้ความทุกข์นี้ จะเป็นจะตายให้ได้ทนไม่ไหวดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นมาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจนี้ก็เป็นธรรมที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติกันได้เพราะเป็นธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นธรรมที่เริ่มจากง่ายไปสู่ยากเป็นเหมือนกับการศึกษาเรื่มเรียนที่ต้องเริ่มจากง่ายไปสู่ยากขึ้นไปตามลําดับ เวลาที่เราเริ่มต้นเรียนหนังสือเราก็เข้าอนุบาลก่อนเรียนของง่ายๆก่อนเรียนกอไก่ขอไก่เรียนนับหนึ่งสองสามไปก่อนพอเราได้กอไก่นับหนึ่งสองสามเป็นแล้วพอเราขึ้นปหนึ่งเขาก็จะเริ่มสอนให้เราหัดเขียนหัดผสมตัวอักษรกอสระอักอสระอ า, อะอาให้เราหัดบวกลบ คูหาร 1, 1บวกเป็น 2, 2ลบ2เป็น0ูนอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากอนุบาลสู่ประถมสู่จากประถมสู่มัธยมจากมัธยมสู่อุดมศึกษาขั้นระดับปริญญาตรีก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นไปสู่ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกไปตามลำดับ อันนี้ก็เหมือนกันการสร้างความสุขให้กับใจก็ต้องเริ่มจากน้อยไปหามากเริ่มจากง่ายไปหายากเพราะถ้าจะไปเริ่มที่มากหรือเริ่มที่ยากนี้ก็จะทำไม่ไหวพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้ทาจากง่ายขึ้นไปก่อนขั้นแรกก็คือการทาทานการแบ่งปันการ มีอะไรที่เรามีมากเกินไปที่เราจะเอาไปใช้ในการซื้อความทุกข์ต่างๆมาก็ให้เอาไปทําทานเพราะจะเป็นการซื้อความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเราทําทานนี้จะไม่มีทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะทําทานนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นไปซื้อเครื่องไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจะได้ความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขที่ได้มาหมดไปก็เกิดความทุกข์ก็ต้องไปหาความสุขใหม่มาเพิ่มเพื่อดับความทุกข์ที่ที่เกิดจากการสูญเสียความสุขที่ได้มาไปไปเที่ยวกลับมา เวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องออกไปเที่ยวใหม่ต้องออกไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานใหม่นี่คืออุบายของนักปราศที่จะดึงพวกเราให้ออกจากกองทุกข์ของการที่จะเอาเงินทองนี้ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราต้องไปทุกข์กับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขที่เป็นความทุกข์กันพอทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าซื้อซีดีดูภาพยนตร์ซื้อซีดีฟังเพลง ซื้อเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ล้นตู้แล้วซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรจี ป, ปาธะที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็นความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่พอได้ามาแล้วก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อไปวันนี้ออกไปเดินตามร้านตามห้าง ไห้นนู่นก็สวยเห็นี่ก็สวยพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปอีกก็อยากจะซื้ออีกพอไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปทํางานไปเหนื่อยไปยากไปลำบากกับการหาเงินหาทองมีใครบ้างที่บอกว่าทํางานแล้วเป็นสุขถ้าให้เลือกระหว่างทํางานกับไม่ทํางานนี้จะเอาอย่างไรถ้าคนบอกว่าทํางานเป็นสุขเดี๋ยว สิ้นปีนี้ที่หยุดห้าวันนี้อย่าหยุดสิไปทำงานกันดูซิว่ามีความสุขจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าของนาปราชที่จะให้พวกเรานั้นตัดการใช้เงินซื้อความทุกข์กันให้เอาเงินมาซื้อความสุขกันด้วยการทาทานนี่ เอาเงานนี้มาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนที่เขาลําบากลําบนขาดแคลนในปัจจัยสี่หรือคนที่ไม่สามารถที่จะหาความรู้เพื่อที่เขาจะได้มีความรู้ไว้เลี้ยงที่ไว้ดูแลชีวิตของเขาเช่นเด็กนักเรียนที่ขาดแกนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียนเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้ไปกินไปดื่มนี้มาให้ทุนกับเขาก็ได้เพื่อเขาจะได้มีความรู้ที่ต่อไปเขาจะได้พึ่งตัวเขาเองได้ทำมาหากินที่สุดจริตได้ไม่มาเป็นปัญหากับสังคมต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะทำให้แกจิตใจพราเวลาเราทำทานแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วความอยากที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซื้อของฟุ่มเฟือยนั้นก็จะถูกตัดไปความอยากจะซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อมือถือซื้ออะไรจี ป, ปาถะ ที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อมันก็จะหมดไปเพราะเราไม่ทําตามความอยาก เ, าเราเอามาทาทานแทนทาทานแล้วเราก็มีความอิ่มใจสุขใจอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอไม่เหมือนกับเวลาเอาเงินไปเที่ยวกันพอเที่ยวเงินหมดก็ต้องกลับมาอยู่บ้านพออยู่บ้านก็ เกิดความไม่สบายใจอยู่ไม่ติดบ้านอยากจะออกไปแต่ออกไม่ได้เพราะไม่มีเงินก็ต้องอยู่บ้านอย่างมีความทุกข์แต่ถ้าเราทําบุญเสร็จเรากลับไปบ้านนี้เรามีความสุขใจเราไม่คิดอยากจะไปไหนอยู่บ้านก็อยู่ยัง่งมีความสุขเนี่การใช้เงินจํานวนเท่ากันแต่ใช้กับสิ่ง ที่มันไม่เหมือนกันทำให้เกิดผลที่ไม่เหมือนกันใช้เงินกับการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะทำให้เราอยู่บ้านอย่างมีความทุกข์กันใช้เงินเพื่อทําทานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็จะอยู่บ้านอย่างมีความสุขเพราะไม่มีความอยากที่จะออกไปซื้อข้าวซื้อของ อยากจะไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆนี่คื อ, อความสุขขั้นแรกที่พรดเจ้าส่งสอนให้พวกเราทำกันถ้าเราจะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆทา ง, ต า, งตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเหล่านั้นเราเป็นคนสมถะเรียบง่าย แล้วเราไม่มีเงินมากพอที่จะเอาไปทําบุญทําทานเราก็ไม่ต้องทําก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีเงินล้วมันคันมือคันคันตาคันหูคันจมูกคันลิ้นคันกายต้องไปแก้กันด้วยการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานกันถ้าไม่มีเงินก็ เป็นนั้นว่าเราก็ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้เลยก็คือการการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็จะสร้างความสุขให้กับใจเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลก็คือเราสามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการทำบาปได้นั่นเอง เวลาเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปเดป เ, เสพสุรายาเมานี้ใจของเราจะไม่สงบไม่เย็นไม่สบายใจของเราจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวถ้าเรารักษาศีลได้ละเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทสเสพสุรายาเมาได้ ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่มีใจของเราก็จะมีความสุขมีความสุขที่ดีกว่าที่ได้จากการทำทานเมื่อเรามีความสุขมีความสงบเราก็จะทำให้เรามีพลังที่จะก้าวขึ้นสู่การทำทานการสร้างบุญสร้างความสุขที่สูงขึ้นไปต่อไปได้ ก็คือรักษาศีลแปดเรารักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้เราก็ทำจากน้อยไปมากก่อนเราไม่ได้ทำแบบทำทีทันใดทำแบบทุกวี่ทุกวันไปวันธรรมดาเราก็รักษาศีลห้าไปวันพระอย่างวันนี้เราก็มารักษาศีลแปดกัน มาซ้อมดูก่อนทดลองดูก่อนว่ารักษาศีลแปดสักวันนี้มันจะตายไหมมันจะยากขนาดไหนรักษาไม่ได้หรื อ, อยังไง<ม>เราเป็นคนด้วยความสามารถขนาดนั้นเชียวเหรอทาไมนคนอื่นเขารักษาได้แม้แต่เด็กก็ยังรักษากันได้เด็กที่บวชเนนี้เขาก็รักษาศีลสิบกันเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีความรู้ความสามารถมากมายทำไมจะมารักษาศีลแปดไม่ได้กัน <c oughs> เรามีศักยภาพกันแต่เราไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดเท่านั้นเองเพราะเราไปเห็นความทุกข์ที่มันเกิดจากการรักษาศีลแปดทุกข์เพราะไม่ได้ทำตามความอยากี้ต่างหากไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไร <c oughs> ทุกข์เพราะว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครอง ทุกเพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วทุกเพราะว่าไม่ได้ดูพวกหมอมหรสศบบรรเทิงต่างๆทุกเพราะว่าไม่ได้เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆทุกเพราะว่าต้องนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งไม่ได้นอนบนฟูกนานาอันนี้เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆ ที่เราจะต้องพบถ้าเราอยากจะพบความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเวลาเราซื้อข้าวซื้อของเราก็ต้องจ่ายไปเอาของมาฟรีๆไม่ได้ฉันใดเราจะเอาความสุขทางใจเราก็ต้องยอมทุกบ้างเราต้องต่อสู้กับความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจะบุกื่นงกายแตเรามีเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์นี้ได้ผู้ที่รักษาศีลแปดนี้ควรจ ะ, จะปฏิบัติทำควบคู่ไปด้วยคือควรจเจริญส ม, มะถะภาวนาในเบื้องต้นทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ทำ สิ่งที่ศีลแปดไม่ให้กระทำก็จะไม่มีเวลาใจสงบความอยากที่จะร่วมหลับนอนความอยากที่จะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วความอยากที่จะดูจะฟังมหัศลพ บ, บันเทิงต่างๆความอยากที่จะเสริมสวยความงานความงามของร่างกายความอยากที่จะนอนบนผูกหนาๆ น, นิ่มๆ น, นานๆ ก็จะถูกระ ง, งับไปขณะที่ใจสงบใจก็จะมีแต่ความสุขและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากการกระทําในสิ่งที่สีลงแปดห้ามไม่ให้กระทําผู้ที่จะรักษาสิ่งแปดได้อย่างสบายจึงจำเป็นจะต้องบำเพ็ญจิตตะภาวนาไปด้วยทำใจให้สงบ การที่จะทำใจให้สงบได้ก็จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้บังคับเพราะโดยปกติแล้วใจจะไม่สงบเองใจจะสงบได้ต่อเมื่อมีสติยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆที่คอยกวนใจให้ขุนให้มัวให้วุ่นให้วายอยู่อย่างต่อเนื่องถ้ามีสติคอยควบคุมความคิด ไม่ให้คิดปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆใจก็จะค่อยๆสงบลงไปแล้วสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องสตินี้ก็มีมาในมีอยู่ในหลายรูปแบบด้ยวยกันรูปแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือพุทธานุสติก็คือการนาลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยการนำลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรียกว่าเรากาลังเจริญสติเพราะเวลาที่เราพุทธโธพุทธโธอยู่นี้เราไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราจะคิดเราก็ต้องหยุดพุทธโธแต่ในขณะที่เราพุทธโธนี้ก็ยังอาจจะมีความคิดที่แทรกเข้ามาได้อยู่ ถ้าเราไม่ไปสนใจมันต่อไปมันก็จะหายไปเราอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธของเราไปอันนี้เรียกว่าการเจริญสติด้วย พ, พ, พุทธานุสติมีวิธีอื่นการเจริญสติถ้าใช้ร่างกายเป็นสิ่งที่คอยควบคุม บังครับให้ใจเกาะติดอยู่เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเั่งนี้ <c oughs> ก็เรียกว่ากายกตาสติเช่นให้ใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรให้ดูให้อยู่กับการกระทํานั้นๆเช่นเวลาลุกเตือนขึ้นมาลืมตา ก็ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอนพรจะคิดลุกขึ้นมาก็ต้องดูร่างกายว่ากำลังลุกขึ้นมาร่างกายกำลังยืนร่างกายกำลังเดินร่างกายกำลังไปเข้าห้องน้ำเพื่อไปทำภารกิจต่างๆไปอาบน้ำอาบท่าอาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้ใจอยู่กับภารกิจต่างๆของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องคิดก็หยุดการกระทำของร่างกายไว้ชั่วคราวเช่นยืนหรือนั่งแล้วก็คิดให้พอถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับภารกิจการงานต่างๆพอคิดเสร็จแล้วรู้แล้วว่าวันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างในขณะที่เตรียมตัวที่จะไปทำภารกิจต่างๆ ก็ให้มีสติอยู่กับการเตรียมตัวของร่างกายอยู่กับการรับประทานอาหารอยู่กับการดื่มน้ำอยู่กับการเดินทางไปที่ทำงานให้มีสติจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการยับยั้งความคิดปร่งแต่งด้วยกายะกะตาสติ พอเวลามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาถ้าเราใช้กายกตาสติเราก็ดูลมหายใจเข้าออกเพราะตอนนั้นน่างกายนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะดูอะไรก็มีลมหายใจนี้ที่เราสามารถใช้เป็นที่สร้างสติขึ้นมายึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบงังคับลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวอย่าไปบังคับลมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปบังคับลม เรามีหน้าที่บังคับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านั้นแม้กระทั่งเวลาถ้านั่งไปแล้วลมละเอียดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าหายไปก็ไม่ต้องคิดปรุงแต่งว่าตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายหรือปล่าถ้ายังมีความรู้อยู่มีความคิดอย่างนี้อยู่แสดงว่ายังไม่ตายอย่าไปกลัวเวลาลมหมดถ้าลมหมดก็ให้ร่วมลมหมด แล้วจะให้รู้อะไรก็ให้รู้ตัวรู้นั่นแหละตัวที่รู้ว่าลมหมดนั่นให้อยู่กับตัวรู้นั้นต่อไปแทนแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตามลําพังเป็นอุเบกขามีความสุขอย่างมากมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้พอได้ความสุขอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะ เบื่อกับความสุขต่างๆที่เคยไปหามาเพราะเห็นว่ามันเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีความทุกข์ตามมามีความอยากตามมาที่จะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆหาได้มาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอก็จะไม่อยากจะไปหาความสุขเหล่านั้นอีกต่อไปอยากจะหาแต่ความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้เวลาออกจากความสงบนี้แล้วใจเริ่มคิดก็ให้ใช้สติหยุดความคิดนั้นหรือถ้ามีปัญญาใช้ปัญญาเป็นใจคิดไปในทางความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ให้ใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วมันทุกข์ เพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหมดไปอยู่ดีแล้วก็ต้องอยากใหม่ทุกใหม่อย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเราไม่จําเป็นจะต้องมีเขาเราก็มีความสุขได้เรามีความสงบเพียงอย่างเดียวพอเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้ไปอยากเท่านั้นก็พอ นี่คือเป็นความสุขที่ถาวรที่จะตามมาจะถาวรนี่ต้องถาวรด้วยปัญญาเพราะความสุขจากความสงบจากการนั่งสมาธินี้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมรักษาไว้มันก็จะหายได้สิ่งที่จะควบคุมรักษาก็มีสองสติและปัญญานี้ถ้ามีสติอย่างเดียว กต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปจนกว่าจะมีเวลาว่างแล้วกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่กลับเข้าไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบใหม่แต่ถ้ามีปัญญาใช้ปัญญาเป็นสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้นี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่าเขาไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้อะไรมาแล้วเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจแล้วต้องเสียไปในที่สุดเพราะว่าในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาตายไปสิ่งต่างๆที่ได้มาความสุขต่างๆที่ได้มาจากสิ่งต่างๆก็จะหมดไปก็จะเหลือแต่ความทุกข์ ความอยากต่อไปถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะไม่อยากจะทำตามความอยากจะหยุดทำความอยากได้ทุกครั้งอยากจะดื่มอยากจะดูอยากจะฟังก็ไม่อยากทาเพราะว่าความสุขที่ได้มันก็ซื้อความสุขจากการอยู่เฉยเฉยไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วนอกจากความสุขที่ได้มาที่ไม่ที่สู้ความสุขที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ ยังมีความทุกตาใหม่ทุกเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการหมดไปนั่นเองอันนี้เป็นการรักษาความสุขที่เราได้สร้างจากการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิรักษาด้วยปัญญาปัญญาก็คือมองเห็นตายรักนี้มองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันไปควบคุมบังครับให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนเป็นการให้ความทุกข์กับเราเราก็ห้าม ม, มันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เช่นของที่ซื้อมาใหม่ๆก็ดีแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปอาหารที่ซื้อมาทิ้งไ ว, ว้เดี๋ยวๆเดี๋ยวมันก็บูด เราไปห้ามมันไม่ให้มันบูดไม่ได้เราถึงต้องมีตู้เย็นไว้การมันแต่ก็การได้ในระยะหนึ่งทิ้งไว้นานๆในตู้เย็นมันก็ยังบูดได้อยู่ดีเราจึงต้องรีบกินเพราะเขามีฉลาเขียนไว้ว่าวันหมดอายุเนี่ยคำว่าวันหมดอายุมันก็ชัดๆอยู่แล้วว่ามันอันนี้จังมันไม่เที่ยงถ้ามันแน่จริงไม่ต้องเขียนวันหมดอายุสิเก็บไว้ได้ร้อยปีพันปี มีอะไรบ้างที่เราเก็บได้เป็นร้อยปีพันปีไม่มีแม้แต่ร่างกายของเราเราก็เก็บมันร้อยปีพันปีไม่ได้ถ้าเรายังต้องพึ่งมันอยู่เวลาพึ่งมันไม่ได้แล้วเราจะทาอย่างไรเราก็มีแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็โดดตึกตายกันเพราะเราไม่เคยหาความสุขทางใจกันถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราทิ้งความสุขทางร่างกายได้เลย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เหมือนแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีความสุขทางใจกันเราต้องอาศัยร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยนี้วุ่นขึ้นมาทันทีหวาดกลัวขึ้นมาทันทีวิตกกังวลขึ้นมาทันทีเป็นอะไรทีนี่นึกถึงมะเร็งทันทีเอะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนาะ แล้วเวลาเป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นแบบที่รักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุดก็อยากอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปบางคนทนความทุกข์ทรมานไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปซะก่อนนี่แหละเป็นเพราะว่าไปพึ่งสิ่งที่มันพึ่งไม่ได้ไปพึ่งความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไป เพราะเราไม่รู้จากการหาความสุขที่เราเพึ่งได้อย่างแท้จริงความสุขที่เราเพึ่งได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมก็คือสมถภาวนาหรือสมาธิและวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญานี่ เราต้องพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้เราเป็นเหมือนนักเรียนเราอยากขี้เกียจไปโรงเรียนขยันไปโรงเรียนขยันทำการบ้านขยนัขยนทำข้อสอบแล้วเราก็จะก้าวขึ้นไปตามชั้นต่างๆจากอนุมานก็จะขับไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุ ด, ดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกตามลำดับได้ชันใดการเรียนรู้ หรือการศึกษาการปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขทางใจก็เป็นอย่างนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ฐานต่อไปนี้เราจะเลิกใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเคยซื้อขน ม, นมนมเนยก็ไม่ต้องซื้อมันเคยซื้อเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็ไม่ต้องซื้อมันดื่มน้ำเปล่าไปไม่ตายร่างกายต้องการน้ำเปล่าร่างกายไม่ต้องการน้ำสีน้ามีกลิ่นมีรส ไม่ต้องกินอาหารแบบพิสดารกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอประหยัดเงินจะได้ไม่ต้องไปหาเสียเวลากับการหาเงินหาทองถ้าหาเงินหาทองต้องเสียเวลา ก, กับการหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจในระดับสูงคือระดับภาวนาได้ก็จะทำได้แต่ทานกับศีลศีลก็อาจจะยาก ถ้าต้องการหาเงินมากๆหาเงินเร็วๆหาเงินง่ายๆการรักษาสีลก็จะเป็นอุปสรรคได้แต่ถ้าไม่ต้องการหาเงินมากไม่ต้องการใช้เงินมากการรักษาสินก็จะง่ายเราก็จะทำให้เรารักษาสีลแปดได้รักษาสีลแปดได้ก็จะสนับสนุนในการทำใจให้สงบได้ นี่มันเป็นของที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้นทำทานเพื่อให้ทำให้ใจเรามีความเมตตากราุณาลดความอยากต่างๆลดการอยากจะหาความสุขด้วยการใช้เงินพอเราเอาไปทำทานเราก็มีความเมตตากราุณาเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจ ะ, ะทำบาป เพราการทําบาปก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้พอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาศีลแปดต่อไปได้พอเรารักษาศีลแปดเราก็จะภาวนาได้ทําใจให้สงบได้พอใจสงบเราก็จะเจริญปัญญาได้เพราะเรามีมีของดีที่เราจะต้องรักษาไว้ก็คือความสงบ และสิ่งที่จะรักษาความสงบนี้ได้ก็คือปัญญาเท่านั้นเราก็ต้องพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเมื่อเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะสงบใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่กังวลกาวายกระสับกระสาย ใจของเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเป็นการหาความทุกข์โดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นความสุขเพราะมองไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากได้มานั่นเองอันนี้แหละเป็นเรื่องของการมาวัดกันมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงก็คือสร้างความสุขที่จิตใจถ้าเรามีความสุขทางจิตใจแล้วเราก็จะละตันหาความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่มีตันหาความอยากต่างๆภายในใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่ได้จะเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ ไม่ได้เกิดจากลาบยศสรรเสริญแต่เกิดจากความอยากของเราเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกเวลาได้มาแล้วสูญเสียไปก็ทุกอีกแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ทุกได้มาก็ไม่เดือดร้อนเสียไปก็ไม่เดือดร้อนได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ท่านก็ยัง รับรู้กับเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่มีคนเอาราบยศสรรเสริญมาให้อยู่แต่ใจของท่านไม่หลงไม่ยึดไม่ติดรู้ทันรู้ว่ามันมาได้มันก็ไปได้พอมันไปก็เลยไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเขาให้มาก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นเองแต่ใจ ไม่ได้มีความต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะมีความสงบที่ดีที่เป็นความสุขที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาเท่าไหร่ก็มักจะใช้ไปเลยเอาไปทาบุญต่อได้อะไรมาก็เอาไปทาบุญต่อนี่หละคือเรื่องของใจที่มีความอิ่มมีความพอที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีล เกิดจากการภาวนาเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้จะอิ่มอยู่ตลอดเวลาจะสุขอยู่ตลอดเวลาจะไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่โลกอยากกันหิวกันใจของพวกเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งมาสอนตอนต้นก็คิดว่าเป็นไม่ได้ตอนต้นที่ทรงตรัสรู้ใหม่ ก็สงคิดว่าโอ้มีใครบ้างจะมาทำอย่างเราได้มีใครบ้างอยากจะมาทำทานอย่างเราอยากจะมารักษาศีลอย่างเราอยากจะมาภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างเราหามแทบไม่ค่อยมีเลยแต่หลังจากที่ทรงพิจารณาดูก็ทรงเห็นว่าก็ไม่ใช่ทุกคนไปคนที่อยากคนที่ทำได้ก็มีคนที่ทำไม่ได้ก็มีคนที่บวชแล้วก็มีกันคนที่ ได้สมาธ <becue> ิก็ <ladı Denmark. S 2> มีกันคนที่รักษาศีลห้าศีลแปดได้ก็มีกันคนที่สละทรัพย์ทำบุญทำทานได้ก็มีกันเราต้องสอนเขาไปตามกําลังของเขาอุตตเจ้าจึงทรงเลือกสอนคนไปตามกําลังของเขาคนที่ภาวนาได้ก็จะสอนเรื่องภาวนาคนที่รักษาศีลได้ก็จะสอนเรื่องรักษาศีลคนที่รักษาทำทานได้ก็จะสอนเรื่องทําทาน สอนให้เขาทําแล้วก็สอนให้เขาเก้าวต่อไปถ้าทํำทานแล้วก็ต้องรักษาศีลหนะ้าถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้ก็ต้องภาวนาหยุดทํางานสักวันหนึ่งเช่นวันนี้วันพระหยุดหาเงินหาทองมาหาความสงบกันมาอยู่วาดกันไปเปรีไม่เว้กันไปทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติกัน นั่งสมาธิกันเดินจงกรมกันเพื่อให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วจะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วจะไม่อยากได้ความสุขต่างๆก็จะละได้จะทำทานได้มากขึ้นจะรักษาศีลได้มากขึ้นจะมีเวลาภาวนาได้มากขึ้ น, นในที่สุดก็จะทำทานได้หมดเลยมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปเลย เพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนพวกเราสามารถทำกันได้ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามขั้นตอนเท่านั้นอย่าทำตามความโลภความอยากทานยังทาไม่ได้ก็จะไปวิปัสสนาแล้วอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะั้น เรียนอนุบาลยังไม่ทันจบจะไปเข้ามาหาลัยแล้วต้องดูกําลังของตนเองดูว่ากําลังอยู่ในขั้นไหนทําได้อะไรบ้างศีลหา้ารักษาได้หรือยังศีลแปดรักษาได้หรือยังก่อนที่จะไปภาวนาก่อนที่จะไปดูจิตเจะเริ่วิปัสสนาอันนี้จังทุกขังอนัตตายาปากก็ยังโกหกอยู่ใจก็ยังอยากขโมยข้าของของคนอื่นอยู่ทําอย่างนี้ทําไปมันก็ไม่มีผลแต่อย่างใด จึงขอฝากเรื่องของการมาที่นี่เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้สร้างความสุขที่แท้จริงคือความสุขใจให้ท่านได้เอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริภูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกะปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกะปาจันโทปนระโสยาถา มานิโชติอาระโซยัตถะสพีติโยวิวาชนตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาธานติอายุวันโอสุขัง พาลา่าลำดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านญาตโยมท่านใดต้องการอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นถ้าผ่านถ้าไม่ถามผ่านไมโครโฟนจะไม่ได้ยินเสียงคำถาม เวลาตอบคนฟังก็จะไม่เข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรถ้าหลังจากนี้ไปแล้วปิดมโคกโฟนแล้วมาถามก็ไม่ตอบชอบมาถามตอนที่ปิดไมโครโฟนเงี้คิดว่าเป็นธรรมทานก็เลยกันปัญหาของเราก็เป็นปัญหาของคนอื่นด้วยผู้ปฏิบัตินี่จะต้องเจอปัญหาด้วยกันทุกคน ไม่ต้องอับอายขายหน้าว่าเรามีปัญหาไม่ได้ว่าสแสดงว่าเราโง่แต่อย่างใดคนที่ปฏิบัติแล้วไม่เจอปัญหาเนี่ยน่าจะน่ากลัวกว่าเพราะอาจจะหลงได้อาจจะหลงคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกกว่าเรามีปัญหาแล้วเราเป็นคนโง่กับคนอื่น ถ้าไม่มีก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาให้นำเอาให้ผู้พิธีกรช่วยถามต่อต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกมีผู้ฝากถามว่าสามีเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วเวียงใส่ทุกคนเลยใครอยู่ใกล้ร้อนไปหมด คนเป็นเมียและลูกจะทําอย่างไรที่จะอยู่ด้วยและดูแลช่วยเหลืออย่างไรทั้งๆที่อยากจะวิ่งหนีก็ต้องใช้ธรรมธรรมนี้ก็มีหลายหลายอย่างด้วยกันธรรมันแรกก็ควรจะมีความเมตตากรุณาคือต้องสงสารเขาเห็นอกเห็นใจเขาว่าเขากําลังทุกข์มากการที่คนทุกข์มากนี่จะให้เขาพูดดี ทำดีนี่คงจะยากดังั้นเราต้องเข้าใจเขาต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษโกดเคลื่องเขาแล้วก็ให้นึกถึงบุญคุณของเขาที่เขามีกับเราเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจที่จะรับอารมณ์ต่างๆที่เขาระบายออกมาให้เราคิดเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนเด็กทารกก็แล้วกันเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กทารก เราก็จะบรบกวนพ่อแม่ได้ตลอดเวลาดึกดื่นยังไงถ้าอยากจะปวดฉี่ปวดอะไรก็ร้องขึ้นมาพ่อแม่นอนหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลบัรบัตบรรเทาความทุกข์ของเราฉันใดคู่ครองของเราบิดาของเราก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณของเราเราอย่าลืมบุญคุณของเขา เราต้องคิดว่าเขาก็เหมือนเราเราอาจจะเป็นเขาก็ได้เวลาที่เราเป็นเขาแล้วเขาดูแลเราถ้าเขาไม่ทอดทิ้งเรา่านี้เราก็ควรจะคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็พอที่จะทนอยู่กับเขาได้แล้วก็ส่วนเราก็ควรที่จะสร้างเกาะคุ้มกันขึ้นมาถ้าเราภาวนาได้ก็จะดีเพราะเราจะมีเกาะคุ้มกัน ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบใจเราก็จะเป็นอุเบกขาก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับอารมณ์ของเขาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ปร่งได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเตือนใจอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่เตือนใจไว้พอถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะทาใจไม่ได้ ถ้าสามีหรือพ่อนี่เขาปฏิบัติธรรมอยู่นี่เขาจะไม่มีการระบายความทุกข์เหล่านี้ออกมาเพราะใจของเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแกร่รับกับความเจ็บรับกับความตายพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะควบคุมใจของเราของเขาให้อยู่เป็นปกติได้ไม่ทุกข์มากจนเกินไปเพราะฉะนั้น เราควรจะเอาเขามาเป็นอุทาหรณ์มาเตือนใจเราว่าเราต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนเขาต่อไปเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครยกเว้นใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราจึงควรที่จะมาเตรียมตัวเตรียมใจมาฝึกใจสอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ เพราะถ้าใจสงบแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายและไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นคำถามข้อต่อไปจากคุณอันโดอันนบ พ, พงเมธควรปฏิบัติตนอย่างไรหลังจากอย่าล้าง เคยคิดว่าเขาเป็นปลาทองที่สวยงามเพราะไว้ดูอย่างเดียวจะได้ไม่ปรุงแต่งและอาไยอาวอนยอมรับความจริงถ้าอยากกันแนละ้ว <c oughs> ก็จบแนละ้วไปอาไยอาวอนกันทำไมอยากกันแล้วก็ควรจะไปบวชเลย <c oughs> จะดีกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณเดฟเอาเลแมน การได้สำเร็จโสดาบันแล้วนั้นยังสามารถทำผิดศีลห้าได้ไหมคะและหากเมื่อได้ทำผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเช่นมุสาจะจะมีผลอย่างไรคะพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดท่านยอมตายดีกว่าผิดศีลนอกจากว่าเป็นการกระทำที่สุดวิสัย ที่ไม่มีเจตนาเช่นเดินไปแล้วไปเหยียบมแมลงตายเหยียบมดตายพ่อมองไม่เห็นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบาปเพราะการทำบาปนี้จะต้องมีเจตนาความตั้งใจที่จะกระทาแต่สำหรับจิตของพระโสดาบันนี้ท่านมีสติสัมปชัญญะที่รู้การกระทาของใจตลอดเวลารู้ว่ากำลังคิดไปในทางบุญหรือไปในทางบาป เพราะสวดาบานนี้จะไม่กล้าคิดไปในทางบาปเพราะมีฮิริโอตปะฮิริก็คือความละอายในการกระทําบาปโอตปะก็คือกลัวบาปกลัวผลของบาปเพราะเห็นว่าเห็นด้วยเห็นด้วยปัญญาว่าผู้ที่ไปเกิดในอบายก็คือผู้ที่ทําบาปกันนี้เองท่านก็ไม่อยากจะไปเกิดในอบายท่านยอมตายดีกว่าไปเกิดในอบายถ้าต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตของตนเอง เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้ายอมให้เขาฆ่าตายไปก็ไปสวรรค์ได้ไม่ต้องไปอบายท่านเห็นชัดอย่างนี้คําถามต่อไปจากคุณสมชายแท่ล้อถ้าทําอาชีพขายหมูปิ้งจะทําให้ศีลด่างพร้อยไหมครับถ้ากําลังศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่จะทําให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าไหมครับถ้าการ ทำหมูปิ้งนี้ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าหมูมาการไปซื้อเนื้อหมูที่ตายแล้วที่เขาขายตามตลาดนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะปฏิบัติทำทำทานรักษาศีลแต่ถ้าเรามีส่วนในการฆ่าหมูเพื่อที่จะได้เนื้อหมูมาทำอาชีพนี้ ก็จะทำให้จิตใจเราหม่นหมองเศร้าหมองแล้วก็เป็นการกระทําที่ผิดศีลเป็นบาป ก, ก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ทาขั้นสูงได้คำถามต่อไปจากคุณเขมิยาชาวัยขอเรียนถามเกี่ยวกับการกำหนดขนาภาวนาที่ว่าดูที่จริตของเราโทสะจริต ให้เจริญเมตานั้นทำอย่างไรคะถ้าคำถ้าใช้คำบริกรรมเรานึกคำนั้นได้เลยเช่นพุทธโธแต่ให้เจริญเมตานั่นให้นึกคิดอย่างไรคะและสำหรับคนที่มีวิตกจริตนั้นให้กำหนดอะไรดีจิตจึงจะสงบรวมง่ายสำหรับสิทธิ์เป็นคนที่มีทั้งโทสาจริตและวิตกจริต ควรกำหนดอย่างไรปกติเวลาภาวนาจะใช้บริกรรมพุทโธแต่จิตรวมยากค่ะฟุ้งตลอดเวลาดึงกลับมาไม่ได้จิตก็ออกไปข้างนอกอีกกำลังสติมีน้อยมากพยายามเดินจงกรมเ ด, เดินเป็นชั่วโมงก็ยังฟุ้งค่ะ เวลาที่เราจ ะ, าจะเจริญสติเพื่อระงับอ า, อารมณ์ต่างๆนี้ก็เราต้องใช้ให้ถูกกับอารมณ์เหมือนกับยารักษาโรคเวลาเราไม่สบายปวดหัวเราก็ต้องรับประทานยาแก้ปวดหัวถ้าปวดท้องถ่ายท้องก็ต้องกินยารักษาโรคถ่ายท้อง จลิตนี้ก็คือเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นกับใจเราเช่นเวลาเกิดโทสะนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งของใจความโกรธวิธีแก้ก็ต้องใช้เมตตาคำว่าเมตตาก็คือ ah สัพเพสตาอเวราหนตุสอนให้เราไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันให้คิดเสียว่าสิ่งที่เขาทำก็ผ่านไปแล้ว ไปโกรธไปอาฆาตจองจองเวรจองกรรมมันก็ไม่ได้ไปลบล้างสิ่งที่เขาทำได้แต่มีจะทำให้ใจของเราร้อนขึ้นมามากกว่าเดิมนะแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันผ่านไปแล้วมันเกิดไปแล้วถ้าเราไม่ถือสาไม่จองเวรใจของเราก็จะเย็นกลับมาสงบได้และให้มองว่าการจองเวรนี้ไม่ใช่เป็นการระงับเวร แต่เป็นการต่อเวรเขาทําเราเราไปกลับไปทําเขาเอพอกลับไปทําเขาเขาก็กลับมาทําเราเออมันก็จะมีไม่มีวันจบสิ้นกันแต่ถ้าเขาทําเราแล้วเราไม่ตอบเรื่องก็จะจบหมดตรงตรงที่เรานี่ยแหละดังนั้นเราต้องมองถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราเออ่ไปจองเวรจองกรรมหนึ่งทำให้ใจเราไม่สงบ นั่งภาวนาไม่ได้ทำจะนั่งสมาธิไม่ได้สองจะทำให้มีเวรกรรมยาวขึ้นไปแล้วมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติเจริญสมาธิของเราเราก็จะเหมือนกับไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้คำถามข้อต่อไปจากคุณพินเพนคมสันข้อที่หนึ่ง อาชีพขายพระเครื่องเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะมันก็เป็นเหมือนกับขายขายของดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ทางจิตใจอย่างแท้จริงเพราะว่าออพระเครื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจของเรา เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่ถ้ามีความต้องการก็จะมีการซื้อขายกันถ้าไม่มีความต้องการก็จะไม่มีการซื้อขายกันในประเทศที่เขามีการศึกษาพระพุทธศาสนาเขาจะไม่มีการซื้อขายวัตถุมงคลเหล่านี้ในประเทศไทยนี้แหละทั้งๆ ท, ที่เป็นประเทศ เมืองพุทธ แ, แท้แต่ชาวพุทธไม่สนใจที่จะศึกษาเพื่อทำคําสอนกันก็เลยไปหลงยึดติดกับวัตถุมงคลคิดว่าเป็นของดีของมีคุณค่าคิดว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นความหลงถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุมงคลนี้ก็เหมือนกับหลงทางถ้ากินยาก็กินผิดชนิด แทนที่จะกินยาเพื่อรักษาให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปก็ไม่ได้รักษาแต่อย่างใดข้อที่สองถ้าเราเป็นคนซื้อของไปทำบุญแต่คนอื่นเอาของเราไปถวายพระใครจะได้บุญคะคือของเป็นของเรามันก็ต้องเราเป็นคนที่ได้บุญคนที่เข า, เาไปถวายนี้เขาก็ได้ส่วน อีกบุญอีกชนิดหนึ่งที่บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากทานทานนี้เป็นของเราทั้งหมดเพราะเป็นของของเราเป็นเงินของเราเป็นเจตนาของเราแต่ทานแต่เขานี้จะได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้คนบางคนเขาไม่มีเงินมีทองที่จะทําทานเองแต่เขามีเวลาเขายินดีที่จะอะ เอาของที่เราอยากจะถวายพระไปถวายแทนเราเพื่อที่เราจะได้บุญเขาก็จะได้บุญข้อที่สได้ทําบุญกับพระที่คิดว่าองค์นี้ปฏิบัติ ด, ดีทําไปแล้วปลื้มใจมากมีความสุขพอต่อมาไปเห็นว่าพระได้ไปปฏิบัติผิดพระวินัยสงฆ์ทําให้เสียดายทายธรรมนั้นแล้วอย่างนี้ยังจะได้บุญไหมคะ ถ้าเราทำบุญด้วยการยึดติดในบุคคลเมื่อบุคคลนั้นเปลี่ยนไปบุญที่เราได้มันก็จะหมดไปการทำบุญที่แท้จริงนี้ไม่ควรที่จะไปยึดติดในตัวบุคคลควรจะทำเพื่อลดความตนีทำเพื่อเบี่ยงเบนการใช้เงินไปในทางที่ผิดเช่นแทนที่จะเอาเงินไปซื้อขนมนมเนยไปเที่ยวก็เอามาทำบุญอย่างนี้ ผู้คนที่ได้รับถึงแม้ว่าจะเป็นพระดีไม่ดีเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเราก็จะได้บุญเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปหลงยึดติดกับบุคคลว่าโอ๊ยทำกับคนนี้เขาเป็นพระดีพระวิเศษก็มันก็เกิดความสุขแต่เป็นความสุขปลองเป็นความสุขที่เกิดจากจินตนาการของเราเองพอจินตนาการนั้นถูกทำลายไปความสุขที่เราไดจากการทาแบบนั้นมันก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณกนกพรภัยสารอสวาเสนีเรียนพระอาจารย์สุชาติดิฉันฟังคำตอบของพระอาจารย์แล้วจึงอยากถามตรงๆว่าข้อที่หนึ่งพระอาจารย์ตอบว่าการแผ่บุญกุศลหลังนั่งสมาธิและสวดมนต์ไม่ใช่การแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นคืออะไรคะ อถ้าเราแผ่เมตตาในขณะหลังจากที่เรานั่งสมาธิมาแล้วเช่นเราสวดบทสัพเพสัตตาอเวราหนตุนีเราเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมไวเตือนใจเราว่าเราต้องรู้จักการแผ่เมตตานะเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราต้องแผ่เราจะได้แผ่ได้เช่นเวลาไปเจอคนที่เขาทำร้ายเรากลั่นแกล้งเรา แล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะได้ให้อภัยเขาได้ไม่จองเวรจองกรรมกับเขาได้นี่คือหมายความว่าทำอย่างอื่นก็คือเราทำการบ้านเรายังไม่ได้แผ่จริงข้อที่สองเวลาเราไปถือศีลที่วัดพระจะให้แผ่เมตตาหลังสวดมนต์ทุกครั้งแต่พระอาจารย์บอกว่า บุญที่เกิดจากความสงบไม่สามารถอุทิศให้ใครได้อย่างนี้เราไม่ควรแผ่เมตตาหรือเปล่าคะแต่ถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาโดยอุทิศให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราสามารถทําได้ไหมคะมันคนละเรื่องกันเรื่องแผ่เมตตากับเรื่องแผ่บุญอุทิศบุญนี่มันคนละเรื่องกันอุทิศบุญก็คือแบ่งบุญเช่นเรามีเงนินแล้วเราแบ่งเงินให้คนอื่น อันนี้เรียกว่าเป็นการแบ่งอุทิศบุญส่วนแผนเมตตานี่ก็เป็นการซ้อมเตรียมใจสอนใจให้เรามีความคิดที่ดีปรารถนาดีต่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นศัตรูคืออย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาคิดดีต่อเขาหวังดีต่อเขาปรารถนาดีต่อเขาอันนี้เราต้องซ้อมไว้ก่อน เช่นเราเกียดใครตอนนี้เรายังไม่เจอเขาเรานั่งคิดถึงหน้าเขาก่อนแล้วก็ถามตัวเองว่าต่อไปเจอเขานี่เรายิ้มให้เขาได้หรือเปล่ามีขนมแบ่งให้เขากินได้หรือเปล่าไม่ไปคิดร้ายกับเขาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการซ้อมเพราะเรายังไม่ได้เจอตัวจริงเหมือนกันนักมวยยังไม่ได้ขึ้นเวทีตอนที่โชคกระสอบทรายตอนที่ซ้อมกับคู่โชคนี่ยังเป็นการซ้อมอยู่ ที่จะรู้ว่าแผ่ได้ไม่ได้ก็ตอนที่ขึ้นเวทีเวลาเจอกันถ้าเจอกันแล้วความโกรธหายไปความเกลียดหายไปมีแต่ความเมตตาเหมือนกับคนที่เราลักกันอย่างนี้เราก็จะได้สอบผ่านเราจะได้ความสุขไม่งั้นทุกครั้งที่เราเจอคนที่เราเกลียดนี้เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราแผ่เมตตาได้ให้อภัยได้ ต่อไปเราเจอเขาเราจะรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกดีใจอาจจะขอบใจเขาเสียว่าเขาเป็นคนทำให้เราต้องทำข้อสอบอย่างที่พุมีคำพูดอยู่ว่าม า, บมบารม บ, กกบารมีบารมีบม่กเกิดบารมีก็คือเมตตาบารมีนี้ต้องมีมารต้องมีตัวมายุแย่มาสร้างความทุกข์สร้างความโกรธความเกลียดให้กับเราแล้วเรา แล้วเราต้องชักไอ้เมตตานี้ออกมาฟันมันให้ได้ฟันให้ตัวโกรธตัวเกลียดนี้ให้ได้ถ้าฟันได้ต่อไปเราจะไม่มีความโกรธใครเกลียดใครอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่เกลียดใครแม้แต่เทวทัตที่พยายามที่จะปรองพรชรถึงสามครั้งก็ไม่โกรธไม่เกลียดกลับให้อภัยสงสารพอเห็นว่าการกระทําของเขานี้จะต้องไปอบายต้องไปตกนรกเป็นอนันตฤยากรรมเล ย, <S S S S ยเป็นบาปที่รุนแรงที่สุด การทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ก็แทนที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตในชาตินี้ก็ต้องไปตกนรกแล้วก็หลังจากใช้กรรมหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระประเจกัพระพุทธเจ้าได้ต่อไปแต่ก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานนี่คือสิ่งที่พทะเจ้าทรงเห็นเมื่อท่านเห็นแล้วว่าใครทําบาปผู้นั้นเขาก็ต้องใช้บาปอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปลงโทษเขาหรอกโทษโทษที่เราไปลงโทษนี้มันน้อยมากกว่าโทษที่เขาจะต้องได้รับเราไม่คุ้มพอเราไปลงเราไปทำเขาแล้วเราก็ไปสร้างบาปให้กับตัวเราเองแล้วเราก็ต้องไปรับโทษของเราเองข้อที่สามการที่เรามีเจตนาปรารถนาให้สัตว์อื่นเป็นสุข และเราก็ทำหลังสวดมนต์นั่งสมาธิทุกครั้งจะถือเป็นการฝึกฝนการเจริญเมตตาฌานได้หรือเปล่าคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการฝึกฝนเป็นการทำการบ้านแล้วรอเวลาที่เราไปเจอเขาเจอเหตุการณ์จริงแล้วดูซิว่าเราจะทาข้อสอบได้หรือเปล่าถ้าทำได้เราก็จะมีความสุขข้อที่สี่ไม่รู้ควรถามหรือไม่ว่า การที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้ช้างนาลาคีรีจัดเป็นอิทธิฤทธิหรือเปล่าคะและจะเหมือนกับการแผ่เมตตาที่เกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่พูดแล้วตอนที่เรานั่งนั่งไหว้พระสวดมนต์มันไม่มีช้างจะมาเหยียบเราเราเพองกำลังซ้อมทำการบ้านอยู่แต่ เวลาที่พระเจ้าเจอช้างมาเหยียบนี่พระเจ้ายืนเฉยๆแล้วก็แผ่เมตตาไม่ได้วิ่งไปหามีดหาปืนที่จะมายิงช้างถ้าพวกเรานี่เป็นยังไงเกิดช้างมานี่เราจะนั่งเฉยๆแผ่เมตตาหรือว่าจะวิ่งไปหาปืนหามีดมาข้อที่ห้าพระอาจารย์เจ้าคะ คือจริงๆดิฉันชอบแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ทั้งหลายมากควรทําหรือไม่ควรทําเจ้าคะควรแต่จะทําทให้มันถูกเข้าใจไหมอย่างที่บอกจะแผ่เมตตาก็ต้องมีเหตุการณ์เจอคนค่อยแผ่งนั้นถึงเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่ให้สัตว์ก็ได้เจอหมาขี้เลื่อนเอามาเลี้ยงมันเอามาพามไปหาหมอรักษาให้มันหายเจอหมาพิการอะไรอย่างเนี้ย แล้วไปช่วยมันอย่างนี้นเรียกแผ่เมตตาแต่อุทิศบุญนี้ต้องอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วผู้ที่ร่วงลับต้องเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเท่านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่มีบุญพอที่จะเลี้ยงตัวเองไม่สามารถไปเกิดเป็นเทพได้ไม่สามารถไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะบุญไม่มีก็เลยต้องมาเป็นเปรตเนี่ยมนุษย์จิตระดับนี้จิตที่เป็นเปรตนี้เท่านั้นที่จะรับส่วนบุญได้ แล้วก็ต้องมารอรับด้วยบางทีเขาอาจจะไม่มาก็ได้เหมือนขอทานบางทีเขาอาจจะไปขอทานที่อื่นก็ได้เพราะเขาคิดว่ามาขอเราคงจะไม่ได้เขาก็อาจจะไม่มาก็ได้ยังนี้ต้องมีต้องมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์เตือนเราบอกเราว่าเขามาขอบุญจากเราเช่นนอนแล้วฝันถึงเขาอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วเขาโผล่ขึ้นมาในสมาธิแต่ น, นี้ก็ยังไม่แน่ว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าจะให้แน่จริงต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าเขาเป็นใคร ม, มีความต้องการอะไรอย่างนี้ถึงจะแน่ใจแต่บางทีเราคิดไปเราฝันไปคิดไปเองเรานึกถึงใครคิดถึงใครล้วก็ฝันถึงเขาอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามาขอส่วนบุญจากเราแต่ก็ถ้าเราไม่แน่ใจก็ทาไปเพื่อจะได้เผื่อไวเผื่อว่าเขามาจริง เราก็ตอนเช้าแล้วก็ไปซื้อของทําบุญสักบาทแล้วก็อุทิศบุญไปบุญอุทิศก็ทําได้จากการทําทานนี้เท่านั้นศีลนี้อุทิศไม่ได้สมาธิความสงบนี้อุทิศไม่ได้ถ้าได้พระพุทธเจ้า ก, ก็อุทิศนิพพานให้พวกเรากันใช่ไหมพวกเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งให้มันเหนื่อยยากตรงนี้พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็จิตก็แผ่ไปทั่วตายภพเลย ให้ทุกคนไปถึงนิพพานเพียงนี่ยคำถามต่อคำถามนี้เจ้าค่ะค่ะเออถ้าสมมติว่าคือบุญในการปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถอุทิศให้กับคนที่ตายไปแล้วได้นะคะพอดีแบบว่าคือเข้าปฏิบัติธรรมพอดีมีพี่ที่เคขาเป็นที่ที่ทํางานด้วยกันนะคะพอเออเขาเสียชีวิตแต่เขาก็ามาเข้าฝันวันที่วันนั้นเลยอย่างเนี้เจ้าค่ะพอดีอยู่ในระหว่างปัดการปฏิบัติธรรมนะคะ อันนี้แล้วก็บุญกุศลตรงนั้นเนี่ยที่เราทำในการปฏิบัติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับได้หรือเจ้าคะก็รับได้อย่างเดียวถ้าสอนเขาไงถ้าเขามา <c oughs> นั่งฟังเทศจากเราเราสอนเขาว่าวิธีทำใจให้สงบทำอย่างไรเห <c oughs> มือนพระพุทธเจ้าสอนพุทธมารดาสอนให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้แต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถเอาโสดาบันไปติดไว้ที่ใจของพระพุทธมารดาได้ เจ้าค่ะอันนี้เป็นถึงสามครั้งนะคะละคนคนเดียวกันนะคะก็สอนให้เขาเสียก็ก็มาก็สอนเขาเสียอยากจะได้อะไรเรามีอะไรก็สอนเขาเราเรานั่งสมาธิเป็นแล้วก็สอนให้เขานั่งสมาธิไปทําใจให้สงบเจ้าค่ะเรามีวิปัสสนาปัญญาเราก็สอนเขาไปเราอยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทําได้หรือไม่ได้นั่นแหละเจ้าค่ะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยเขาก็หายไปเลยเจ้าค่ะตังนี้ก็ไม่ไม่ได้มาอีกแล้วเจ้าค่ะนี่ว่า คิดว่าเป็นอ น, นิจจังก็แล้วกันเจ้ค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะคถามต่อไปจากคุณมีนาอมรการที่เรามีความเห็นว่าเวลาเราตายเราไม่อยากให้คนข้างหลังลำบากในการจัดเตรียมงานศพแล้วก็รู้สึกร่างกายเป็นแค่เพียงธาตุที่มาประชุมรวมตัวกันเท่านั้นตายไปแล้วก็น่าจะจบกัน อีกทั้งที่ได้เคยฟังธทรมาว่างานศพนั้นเป็นการให้คนเป็นระลึกถึงมรณานุสติมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วถ้าเราบอกคนที่บ้านว่าไม่ต้องจัดงานศพไม่ต้องทำพิธีสวดแล้วให้นำล่างนี้ไปเผาได้เลย เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่คะหรือไม่ควรทำเพราะขัดกับประเพณีที่คนทั่วไปทำกันก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเราถ้าเราต้องการทำอย่างนี้ก็ทำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดแต่คนที่เราสั่งเขาก็จะทำตามเราหรือไม่ก็เรื่องของเขาเองเราสั่งเขาแล้วแต่ถึงเวลาเขาก็อยากจะทำบุญให้เราจัดงานให้เราก็เป็นเรื่องของเขาไป ตราบใดที่เราไม่ไปให้ความสำคัญกับร่างกายของเราที่เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนเวลาที่ตายไปแล้วใครจะเอาไปทำอะไรก็มั น, มนไม่มันไม่ใช่เป็นของเราแล้วคำถามต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนาตาเมื่อตายหรือการเปลี่ยนภพชาติใหม่สิ่งไหนที่ทำให้เราจำเรื่องราวในอดีตชาติไม่ได้ครับ ประกอบกับกรณีที่มีคนสามารถระลึกชาติได้นั้นเป็นเพราะอะไรและการที่ญาติเราได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือเกิดในอบายภูมิเช่นเปรตผีและพบภูมิอื่นที่ไม่ใช่พบภูมิของมนุษย์เขาจะจำเรื่องราวในอดีตชาติได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่ความจำของแต่ละคน คนที่มีความจาดีก็สามารถระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถส่งระลึกอดีตชาติได้อย่างพระเจ้าสิบชาตินี่ก็เป็นการระลึกของพระพุทธเจ้าเองที่เล่าถึงชาติาต่างๆเช่นเป็นพระเวชสัดนดรเป็นพระเตมีเป็นพร ะ, ะอะไรต่างๆนี่ก็เป็นจิตของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละอ่นี้คนเรามีความความสามารถในการจดจำไม่เท่ากัน อย่างนักเรียนที่เรียนหนังสือที่ได้ที่หนึ่งเพราะความจำาก็ดีกว่าคนที่ได้ที่โหลก็ความจำไม่ดีจำไม่ได้กูสอนอะไรจำไม่ได้เลย <c oughs> ก็เลยต้องได้ที่โหลแต่คนที่ความจำดีถามอะไรก็ตอบได้หมดนี่ก็เกิด ค, ความสามารถในการจำนี้ของแต่ละค น, นมีไม่เท่ากันคาถามข้อต่อไปจากคุณอะต้อยปาล์ม อยากให้พระอาจารย์ชี้แนวทางวิธีตัดกรรมร า, าคะให้หน่อยครับก็ต้องเจริอาสุภกรรมฐานคือพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นพิจารณาศพอย่างนี้นึกถึงร่างกายที่สวยงามที่น่าดูเวลาตายแล้วน่าดูน่าสวยงามหรือไม่อย่าไปนึกถึงแต่ตอนที่น่าดูน่าสวยงามเพียงอย่างเดียว หรืออย่ามองแต่เพียงภายนอกมองเข้าไปข้างในบ้างมองของที่ถูกหนังหุ้มห่ออยู่เช่นกระดูกเอ็นเนื้อหนัง อ, อ, อวัยวะต่างๆหัวใจตับปอดลำไส้ อ, อ, อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำต่างๆน้ำปัสสาวะน้ำอะไรที่มีอยู่ในร่างกายถ้ามองเห็นส่วนต่างๆแล้วความ อารมณ์ที่เรียกว่าการอารมณ์ก็จะสงบตัวลงไปคำถามต่อไปจากคุณอุเทนพงศ์เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนแต่หลังจากปฏิบัติมาใจเย็นขึ้นมากการปฏิบัติที่ผ่านมามักจะมีเรื่องที่ถูกทดสอบใจเสมอแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าโทสะจริตจะเกิดบ่อยและจะมีเรื่องเข้ามาทดสอบอยู่ตลอด พยายามข่มใจไม่ให้โกรธแต่ส่วนมากจะแพ้อยากได้คําแนะนําจากพระอาจารย์ครับคือการแก้ความโกรธก็มีหลายวิธีอย่างที่พูดังตอนต้นเรื่องการแผ่เมตตาให้อภัยอันนี้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุอันนี้แก้เท่าไหร่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นมันต้องมีเรื่องให้ทําให้เราโกรธอยู่เรื่อยถ้าอยากจะแก้แบ่งทาวรไม่ให้เกิดความโกรธเลย ก็ต้องเข้าไปที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆนี่เองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ดังใจก็โกรธอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำก็โกรธ ถ, ถ้าหยุดความอยากเสียหรือถ้าอยากแล้วต้องทำใจเตรียมไว้ก่อนว่าทำได้ก็โอเคทำไม่ได้ก็โอเคก็จะไม่โกรธนี่คือต้นเหตุของความโกรธ งันเวลาเราทำอะไรอยากทำอะไรอยากไปมีอุปทานกับความอยากนั้นอยากได้แต่ต้องรู้จักประมาณรู้จักขอบเขตอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพอสั่งกว๋วยเตี๋ยวมามันเอาเข้าวต้มมาให้อย่างงี้ก็อย่าไปโกรธมันหูม่ไม่ดีหรือมันหมดกว๋วยเตี๋ยวหมดมันมีแต่ข้าวต้มมันก็ก็จะไม่โกรธง่ะงั้นพยายามลดความอยากแล้วความโกรธมันก็จะน้อยลงไปแล้วหมดไปในที่สุด คำถามต่อไปจากคุณบูซำอมอยู่นอกวัดก็ต้องต่อสู้กับคนสารพัดแบบเพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพเข้ามาในวัดก็เจอการเมืองในวัดอีกพยายามทำใจตัวเองให้เป็นวัดแต่บางครั้งต้องการคำแนะนำจากผู้มีปัญญา อ่านหนังสือก็มีอภิธรรมซึ่งยากเกินกว่าคนธรรมดาแบบดิฉันจะเข้าใจได้ขอพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะวัดสมัยนี้มันก็มีหลายแบบด้วยกันวัดที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีมีของขายวัดที่เป็นแหล่งบันเทิงก็มีมีภาพยนตร์มีมหหรสศพวัดที่สงบเงียบไม่มีเรื่องราวก็มีถ้าอยากจะ ไปอยู่วัดที่ไม่มีเรื่องมีราวก็ต้องไปอยู่วัดที่มีความสงบแล้วผู้ที่อยู่วัดก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันเจอกันก็ไม่ค่อยพูดกันมาก็มาทำกิจวัตรหน้าที่ของตนเสร็จแล้วก็แยกกลับกันไปตามที่พักของตนแล้วก็มีตารวจคือเจ้าอาวาสที่คอยมาห้ามศึกอยู่ถ้ามีเจ้าอาวาส ด, ด, ดุนี่ไม่มีใครกล้าจะมีเรื่องมีราวกัน ก็อย่างน้วงตานี่ไปอยู่กับท่านท่านบอกว่าถ้าใครทะเลาะกันแล้วมาฟ้องเรานี้ไปทั้งคู่เราไม่เราตัดสินใจง่ายๆอมันคือมันเลวด้วยกันทั้งคู่ถ้า ถ, ถึงต้องทะเลาะกันตบมือข้างเดียวไม่ดังท่านจะไม่มาเป็นผู้เป็นผู้มาพิพากษาว่าใครผิดใครถูกถ้าทะเลาะกันแล้วแถลงว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ถ้าจะให้ถูกก็คือให้เขาตบมือข้างเดียวไป เพราะว่าเขาทําอะไรไปเราก็เฉยไปแล้วก็ไปปีกวิเวกของเรากลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิของเราปัญหาก็จะไม่มีอย่างนั้นถ้าอยากจะเข้าวัดเราไม่พบกับปัญหาต่างๆก็ต้องไปตามวัดที่ตามในลักษณะที่ได้แจ้งไว้นี้คําถามต่อไปจากคุณสูสานวังพิทักษ์ดิฉันเป็นอิสลามแต่ศรัทธาในคําสอนของหลวงพ่อ และชอบแนวทางคำสอนของศาสนาพุทธแต่ในทางศาสนาอิสลามการทาบุญกับศาสนาพุทธถือว่าเป็นบาปหลวงพ่อมีความคิดเห็นหรือมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะการทาบุญนี้ไม่เป็นบาปไม่ว่าจะทำกับใครทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เป็นบาปทำกับนักโทษก็ไม่เป็นบาปทำกับคนชั่วก็ไม่เป็นบาป แล้วทำกับคนดีมันจะบาปได้อย่างไรทากับคนที่มีศีลมีธรรมมันจะบาปได้อย่างไรคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอสรุปคำถามนะคะได้อ่านบทความของนักเขียนเรื่องวินาทีก่อนตายมนุษย์จะเห็นอะไร บอกว่าผู้ฝึกจิตทุกคนที่มีความคุ้นเคยกับการเข้าพวังพวังในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับพวังในจิตสุดท้ายนักพลังจิตที่มีความรู้จะใช้โอกาสอันนี้ยกจิตไปสู่พมโลกหรือหากมีความเชี่ยวชาญก็ทำวิปัสนา ก็ใช้เวลาดังกล่าวพิจารณาธาตุขันจนเห็นการเกิดดับตัดตรงเข้าแดนนิพพานยังได้เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากตรงนี้คือการตัดตรงเข้านิพพานหรือการบรรลุธรรมคำถามข้อที่หนึ่งหากจิตเข้าพวังในสมาธิแล้วยกจิตไปพรมโลก อย่างนี้จะเป็นสมาธิหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือไม่ครับมันก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นฌานถ้าได้รูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปประพมถ้าได้อารูปฌานก็จะไปเกิดในอารูปประพมจะเรียกว่าสัมมาหรือไม่สัมมานี่มันก็อยู่ที่ว่าเราจเจริญสมาธิเพื่ออะไร ถ้าเราจเจริญสมาธิเพื่อไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิถ้าเราเจริญถ้าเราจเจริญสมาธิเพื่อให้เป็นฐานของวิปัสสนาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนในการจเจริญปัญญาเฉั้นถ้าเราได้แต่สมาธิแล้วเราหยุดแค่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิไปหรือว่าติดอยู่ในสมาธิ หรือว่าไม่รู้จากทางที่จะก้าวขึ้นไปสูงกว่านั้นอย่างสมัยก่อนที่พระเจ้า ต, ตะตรัสรู้ก็ไม่มีใครรู้จักการก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาก็ได้แต่ขั้นสมาธิได้ขั้นรูปประชานอรูปประชานอย่างพระอาจารย์ของพอพระพุทธเจ้าสองรูปก็ได้แค่นั้นจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธินี้จะต้องสามารถ พัฒนาจิตให้ขึ้นสู่วิปัสสนาได้ข้อที่สองและที่บอกว่าหากผู้ฝึกจิตเชี่ยวชาญในการทำวิปัสสนาพิจารณาธาตุขันจนแตกดับตัดตรงเข้าสู่แดนนิพพานก็ยังได้อย่างนี้คือไม่ใช่อาการของสมาธิใช่หรือไม่อันนั้นเรียก อ, อาการของปัญญา ปัญญาต้องพิจารณาเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโทษของการที่ไปยึดไปติดกับร่างกายทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการทุกข์ก็ต้องปล่อยร่างกายต้องเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ หลายคนคิดว่าเชื่อว่าสวดมนต์ข้ามปีแล้วชีวิตจะดีตลอดปีจริงหรือไม่คะแล้วสวดนสวดมนต์คืนนี้กับสวดมนต์ในคืนวนที่สามสิบ็ดมันต่างกันตรงไหน <c oughs> ไม่รู้จะตอบอยังไงดี <c oughs> ถ้ามันจะดีต้องสวดทุกคืนฮ <c oughs> ะอย่างนี้ดีแต <c oughs> ่มาสวดแค่คืนเดียวมันก็เหมือนสวดคืนนี้แหละ <laughs> มันก็เหมือนกันอะ่ะเคื น, นี้ก็ขึค น, นืที่ส1มสิเอ็มันต่างกันตรงไหนหมดคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อ <laughs> <laughs> เอาถามนี้มีใครอยากกระถามไหมฮะถามมาครับผมสุชาติครับจากกรุงเทพนะครับจะถามต่อเนื่องเมื่อกี้เลยครับว่าแล้วที่ไหว้พระเก้าวัดล่ะครับ <laughs> <laughs> ถ้าไหว้พระเก้าวัดแล้วท่านเป็นเป็นพระอานานทั้งเก้าวัดแล้วฟังเทศฟังธรรมจากท่านก็จะได้ได้ประโยชน์ แต่ถ้าไปไหว้พระพุทธรูปนี้ก็จะไม่ได้อะไร uh huh. ได้ก็อย่างมากก็ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าอแต่จะไม่ได้ธรรมะอะไรครับถ้าไปทําทานก็จะได้ทานอันนี้ผมถามคํถาถามส่วนตัวผมนะครับคือตอนนี้ผมเมื่อตอนที่ตอนประมาณสักสิบขวบนะครับคุณแม่เขาเปิดร้านอาหารนะครับแล้วเสร็จแล้วผมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการ ค่าประดุกนะครับตีหัวประดุกประช่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเชือดไก่เป็ดด้วยปัจจุบันเนี้ยก็เป็นภูมิแพ้มาประมาณสักิปีแล้วก็ปวดหัวตลอดไม่ทราบเกิดจากกรรมตัวนี้หรือเปล่าครับอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องผลกรรมที่เราทำมาก็ได้แต่ถ้าจะถ้าถ้าที่ดีกใกล้คิดอย่างนั้นไปก็ดีเพื่อเราจะได้ไม่กล้าไปทาบาปต่อไป คำถามหนึ่ง น, นะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนที่มีลูกพิการนี่นะครับแล้วก็พยายามที่จะชวนมานั่งสมาธิถือศีลอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปดูหมอดูไปเข้าทรงต่างๆหมอดูกับเข้าทรงเนี่ยมีจริงไหมครับแล้วก็ช่วยเขาหายทุกได้ไหมครับก็มีจริงไงเขาดูกันอยู่เนี่ยแต่มันไม่มีผลจริงถ้ามีผลจริงมันก็สบาย นั่นเป็นเรื่องของความเชื่อกันเท่านั้นเองสิ่งที่แท้จริงมีอย่างเดียวก็คือกฎแห่งกรรมพระพุทธศาสนานี้สอนให้เชื่ออย่างเดียวให้เชื่อกฎแห่งกรรมเรื่องราวต่างๆนั้นจะจริงไม่จริงก็ไม่เป็นปัญหากับใจเช่นโลกจะกมลมหรือโลกจะแบนนี้มันก็ไม่เป็นปัญหากับใจแต่สิ่งที่เป็นปัญหากับใจก็คือกรรมที่เราทำกันนี้ถ้าเราทําบาศ ใจก็จะร้อนถ้าเราทำบุญใจก็จะเย็นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับไอ้ศาสตร์ต่างๆขอให้กังวลอยู่กับกรรมอย่างเดียวพออ่าว่ามาขออกาสท่านอาจารย์ครับอ่าพอดีผมเคต้องเออตั้งเด็กก็เชยปฏิบัติแนวทางของวัดป่ามาตลอดนะครับคราวนี้พอเมื่อประมาณปีก่อน อตอนอยู่เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ค่อยปฏิบัติแต่มันจะมีปรากฏการบางอย่างมาเตือนตลอดเช่นบางทีหลงหลงกับวัตถุอะไรอยู่บางที น, นั่งนั่งดูอยู่วัตถุนั้นก็จะแปลสภาพเป็นเป็นเป็น อ, อีกแบบหนึ่งหรือว่ามองคนบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะภาวนาก็จะมีอาการบางทีบางคนก็มีอาการที่เรามองเนี่ยครับก็มีอาการแปลสภาพไปเป็นอสุภะ คราวนี้จะกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างห้าวันที่ผ่านมาเพิ่งไปปฏิบัติทำมาคราวนี้พอตั้งใจจะปฏิบัติแล้วจะพิจารณาสุภาเนี่ยบางทีมันมันไม่เห็นจิตมันไม่มันไม่ไปถึงสภาวะตรงนั้นแต่บางทีมันมันขึ้นมาเองอย่างนี้เราควรจะจัดการกับตรงนี้ยังไงครับการที่เราจะเจญปัญญาได้อย่างมีเหตุมีผลนี้เราต้องมีฐานก่อนก็คือต้องมีความสงบก่อน ถ้าใจไม่สงบแล้วมันยากต่อการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆเช่นาสุภาะเห็นอ น, นิจจังนี้มันจะเห็นยากที่มันปรากฏขึ้นมาเพราะบางช่วงจิตเราสงบจิตเราว่างแล้วมันก็มีช่องโผล่ขึ้นมาถ้าจิตเราไม่ว่างก็เหมือนกับมีสิ่ง อ, งอื่นมากรบมันไว้จิตเราไปวุ่นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราก็เป็นเหมือนจอภาพอย่างนี้ถ้ามีภาพอื่นอยู่บนจอภาพที่เราต้องการจะเห็นมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ เราต้องลบภาพอย่างอื่นไปให้หมดก่อนทําใจให้ว่างก่อนทําจอให้ว่างแล้วเราก็นึกถึงภาพที่เราต้องการภาพนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาได้ชัดเจนงนั้นต้องพยายามทําสมาธิให้มากๆก่อนถ้าต้องการที่จะเห็นวิปาาัสสนาเห็นปัญญาเห็นใจรักเห็นอสุภะนี่ใจต้องว่างตรงตร ง, ตรงที่มันไม่ได้ตั้งใจและโยมเพราะช่งนั้นใจมันว่าง บางเวลาใจเราก็ไม่รู้มันก็เหนื่อยมันอาจจะไม่อยากจะคิดไม่อยากอะไรขึ้นมามันก็ว่างไปสักพักช่วงนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งที่เราที่เราเคยปลูกฝังอยู่ในใจโผล่ขึ้นมาอ่าวขับตามหมดแล้วใช่ไหมวันนี้อ่าอีกข้ออวันนี้ยาวเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะทีนี้ อย่างตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บมือมากแต่ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่สบายเป็นอะไรเนี่ยเราจะเราสามารถปรุงได้จะควบคุมมันได้แต่พอพอมันเจ็บขึ้นมาปุ๊บมันก็รู้สึกละอ่ะความมันมีความอยากที่จะให้มันหายปวดเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าพอเราจ้องหรือเราดูไปที่มือที่ความรู้สึกเนี่ยเราก็มันเหมือนใจมันก็จะไปไปเป็นโครงกระดูกเป็นเป็นกระดูกอย่างนั้นนะคะหรือยังเวลาหายจะไม่ออกเนี้ยมันฟึดฟัดฟืดสักพักมันก็จะ เป็นเหมือนโพลงประสาทของจมูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมันเหมือนกับว่าใจมันพิจารณาหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะก็จจะเป็นการพิจารณาแต่มันจะถูกไม่ถูกก็ดูอยู่ที่ผลว่ามันดับความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่าละความอยากเราได้หรือเปล่าถ้าล้ไม่ได้ก็ยังถือว่าพิจารณาไม่ถูกทางต้องมองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือต้องมองเห็นความเจ็บ ที่เกิดขึ้นนี้ว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะทุกขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องทำใจเฉยๆยอมอยู่กับมันให้ได้ถ้าเราอยู่กับมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์ต้องดูตรงนี้ดูตรงที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์อยากหรือไม่อยากเห็นอนัตตาหรือไม่เห็นเห็นอนิจจังหรือไม่เห็นแค่นี้แหละอยู่ตรงนี้เป็นหลัก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างบางทีพอเรารู้สึกว่าพอฟังพระอาจารย์หรือว่าฟังเทพมากๆอะค่ะมันก็จะรู้สึกว่าอย่างบางคนเนี่ยเวลาเราคุยด้วยแล้วเหมือนเขาจะเป็นคนละทางกับเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะควรจะแยกออกมาหรือว่าเราควรจะอยู่กับเขาโดยที่เฉยๆหรือว่าไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ก็มงคลละสุดท่านก็เริ่มต้นว่าอาเซวนาจะบาลานังบันเิตานันจะเซวนา แปลว่าอยากคบคนพาลคบคนโง่ให้คบบัณฑิตคบคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้เราต้องการมงคลหรือต้องการอัปมงคลมงคลค่ะถ้ามงคลก็ต้องอย่าไปคบคนคนโง่ให้คบคนฉลาดคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจไหมก็ออขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ